ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบุญญาสัมปันโนเสนอตอนที่45สวนแสงธรรมโครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบุวญาสัมปันโนและนิมิตว่าได้ช่วยชาติไทย หลวงตามหาบัวญนัสัมปนโนได้ให้อวาธิธรรมเอาไว้ว่าสมบัติของบ้านคือเด็กลูกของพ่อของแม่นั้นสำคัญมากนะฉะนั้นเราต้องทาตัวของเราให้เป็นเด็กดีให้พ่อแม่ได้เบา อ, อกเบาใจอะไรที่จะขวัญขวายช่วยพ่อแม่ก็พากันขวัญขวายในฐานะที่เราเป็นลูกอย่างไรเราจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไป เราจะต้องฝึกหัดดัดแปลงหน้าที่การงานของเราให้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อตัวขึ้นมามันจะได้ไม่จนตรอกจนมุมเราไม่ควรลืมตัวเราว่าเป็นลูกของพ่อของแม่อย่าโทกอย่าเถียงอย่าต่อว่าต่อขานพ่อแม่อะไรที่ขัดต่อเหตุต่อผลถ้าเราพูดแต่หากท่านไม่ฟังท่านถือว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ไม่พูดซะดีกว่าหน้าที่อะไรที่เราจะทําก็ทําไปเสียการถูกการเถียงพ่อแม่ มันเป็นนิสัยไม่ดีคนไหนที่เป็นผู้เชื่อฟังคำพ่อคำแม่เห็บความรู้สึกไว้ด้วยดีพิจารณาเหตุผลทางที่ถูกที่ดีที่ควรไม่ควรแล้วยกให้พ่อแม่นี้เป็นผลรายได้ทั้งหมดเรายกให้พ่อแม่เลยเราอย่าไปแตะเราอย่าไปยุ่งเราอย่าไปแย่งชิงเอาแล้วเกิดทะเลาะกันเกิดทะเลาะเราแหละเป็นคนเสียไปถูกไปเถียงท่านท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยอะไรจะยาก ยิ่งกว่าการเลี้ยงคนหลวงตามหาบัวยันสัมปโนโนเล่าชีวประวัติของท่านในขณะที่องค์ท่านได้มาสร้างเสวนแสงธรรมในปีพุทธศักราช2527ที่พุทธมณฑลสาย3เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเอาไว้ว่าเนื่องจากองค์หลวงตามหาบัว ต้องเดินทางจากอุดรกรุงเทพบ่อยครั้งเพื่อเข้ามารับการรักษาโรคหัวใจที่เป็นมานานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2506และโรคหัวใจมากำเริ่มหนักในปีพุทธศักราช2527และยังมีโรคหอบแทรกซ้อนสุขภาพขององค์ท่านไม่ค่อยแข็งแรงการเทศนาก็มีน้อยทางคณะแพทย์ต้องการให้องค์ท่านพักผ่อนมากๆจึงมีผู้มีจิตศตาถวายที่ดินเพื่อเป็นสำนักสงฆ์หลวงตา จะได้มาพักรักษาตัวในคราวอ า, าพาธและโปรดญาติโยมในเขตภาคกลางเพื่อทำบุญและฟังธรรมสถานที่แห่งนี้จึงได้เกิดขึ้นและชื่อว่าสวนแสงธรรมสวนแสงธรรมตั้งอยู่พุทธมณฑลสายสามเขตภาษีเจริญกรุงเทพแต่เดิมเป็นทุ่งนามีสระบัวอยู่ด้านหน้าสองฝั่งทางเข้าเป็นป่าสนรอบๆจะมีคลองน้ำและสวนกล้วยเป็นป่าที่สัตว์นานาชนิดมาอาศัยอยู่ มีเนื้อที่ประมาณ12ไร่โดยนาวากาศเอกสกุลรัานน์และแพทย์หญิงอุไรวันศูนทรรลักษ์เป็นผู้ถวายในปีพุทธศักราช2527โดยแรกเริ่มสร้างศาลาหนึ่งหลังและกุฏิพระสีหลังมีสระน้ำสองสระลงตาให้สร้างขึ้นอย่างเหมาะสมกับสภาพป่าเพื่อเป็นที่พักของพระกรรมฐานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสวนแสงธรรมจึงเป็นที่พำนัก นนยามหลวงตาเดินทางมาโปรโดลูกศิษย์ชาวกรุงเทพและเป็นแหล่งเสวนาธรรมตลอดจนเปิดโครงการช่วยชาติและเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์หลวงตาในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการสมเคราะห์โลกมอบทองคำเข้าสู่ท้องพระคังหลวงทอพระป่าช่วยชาติและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธที่สนใจในการปฏิบัติกรรมฐาน ชีวประวัติหลวงตามหาบวญยณสัมปันโนจากหนังสือพ่อแม่ครูจา์ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งเกี่ยวกับโครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบุญยณสัมปันโนท่านได้เล่าถึงปฐมเหตุในการช่วยชาติในปีพุทธศักราช2540เอาไ ว, วา้ว่าปีพุทธศักราช2540ประเทศไทยถูกโจมตีทางเศรษฐกิจการเงินอย่างรุนแรงที่สุดเงินทุนสัรองของประเทศไทย ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรับผิด ช, ชอบอยู่มีทุนสำรองอยู่ประมาณ 39,000 ล้านเหรียญสหรัฐลดเหลือลงเพียง 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐแผ่นดินไทยประสบความขัดขันชีวิตของคนไทยถูกบีบคัน้นทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงความล่มสลายคลืบคลานเข้าสู่ครัวเรือนอย่างน่าหวาดวิตกมีโครงการรับบริจาคไทยช่วยไทยและอีกหลายๆโครงการเพื่อช่วยชาติแต่ก็ไม่ประสบผลสาเร็จ จิตใจของประชาชนขาดที่พึ่งไฟที่ลุกท่วมหัวใจของชาวไทยเริ่มแพร่ขยายลูกลามออกจากหัวอกเป็นไฟที่ลุกท่วมแผ่นดินไทยในไม่ช้าหากไม่ตัดไฟเสียแต่ต้นลมจกต้องถึงความพินาศโดยเร็วพันเป็นแน่ปลายปีพุทธศักราช2540เหตุการณ์บ้านเมืองระสัาผู้คนระงมไปได้ทุกพระหลุงตามหาบุญยสัมปโนซึ่งมีวัตปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างในทางสงบ ยากที่จะมีพระรูปใดทักเทียมมีเพียงปัจจัยเครื่องอาศัยของมันพชิตเท่านั้นไม่เคยเกี่ยวข้องคุกคลีกับใครอยู่แต่ในป่าในเขาเพียงลำพังปลารคความเพียรยินดีในรสแห่งวิเวกตั้งแต่อุปสมบทมาตราบจนเท่าชราเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์สายพระป่ากรรมฐานขณะนั้นสังขารชราพาดด้วยโรคมะเร็งลำไส้ขั้นสุดท้ายถ่ายบรรลัสิบกว่าครั้ง จนถึงต้องเกาะราวระเบียงกุฏิประยุงสังขารด้วยกำลังเรี่ยวแรงที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดไม่ยอมให้สังขารเป็นภาราชใ จ, จผู้ใดอาศัยเพียงใจที่มีพลานุภาพและธรรมะสุขวิหารเท่านั้นส่วนทางด้านร่างกายต้องบอบช้ำเหนื่อยล้าอ่อนเพลียหมดเรี่ยวแรงในบางครั้งก็สุดที่จะต้านทานยับยัง้งขนาบคาบคำ้ำสังขารอนิจังให้คงทนอยู่ได้ ยาวิเศษอันใดก็ไม่สามารถยับยั้งขันที่ชำรุดร่วงโรยนั้นได้หลวงตาได้สั่งให้คณะสิทธ์สร้างเมรุขึ้นที่หน้าวัดป่าบันตาเพื่อที่จะใช้จัด ก, การกับสังขารอันผุพังขององค์ท่านอย่างเรียบง่ายแต่ในที่สุดองค์พระหลวงตาได้หายขาดจากโรคมะเร็งลำไส้ราวปาฏิหารโดยองค์ท่านได้กล่าวไว้ว่าคงเป็นเพราะดวงชะตาของชาติไทยเราอุ้มขึ้น ตอนนั้นเราจะไปดูเหมือนจะไปในห้องเวลาชนพันษานั้นด้วยโรคมะเร็งลำไส้แล้วได้ยาหมอเติ้งรักษาเราไม่ลืมนะเราตัดสินใจว่าหากพระพุทธศาสนาและหลักธรรมที่เราได้บรรลุมากผลจะสามารถกู้ชีวิตจิตใจประชารชานกู้ชาติกู้แผ่นดินให้กลับคืนสู่ความร่มเย็นเป็นสุขเป็นที่ประทานพระพุทธศาสนาให้เจริญสืบไป ขอชัญยารักษ า, าธาตุขันเพียงอีกครั้งเดียวถ้าไม่สามารถรักษ า, าธาตุขันไว้ได้ก็จะปล่อยวางให้เป็นไปตามกรรมของโลกต่อไปถ้าถูกก็ถูกไม่ถูกก็เลยหยุดยาเราจะไม่เอาอีกแล้วยาหมอเติง้งมาใส่ปุ๊บหยุดเลยเชิดตัวขึ้นนั่นละถึงได้ชื่อชาติมาจนกระชั่งทุกวันนี้ยานี้เป็นยาอัศจรรย์เราเองก็รู้สึกว่าเป็นงงๆในจิตใจเหมือนกัน โรคมะเร็งขั้นสุดท้ายมะเร็งในลำไส้หมอบอกว่าไม่หายเป็นอันขาดมีแต่จะตายเท่านั้นมันพลิกได้อย่างไรก็ไม่รู้ได้ยาเทวดามานับว่าหมอจีนชาวไต้หวันคนนี้มีบุญคุณต่อชาติไทยมากเหมือนกันจากนั้นแล้วเป็นปกติเรื่อยมานี่ก็แปลกอยู่เหมือนกัน หลวงตามหาบัวยันสัมปันโน่ได้เล่าชีวประวัติของท่านในการนิมิตถึงการช่วยชาติไทยขององค์ท่านเอาไว้ว่าต้นปีพุทธศักราช2541ก่อนที่จะเริ่มโครงการช่วยชาติพรดชพระคุณหลวงตามหาบัวท่านเล่านิมิตถึงชาติไทยให้พระลูกศิษย์ฟังว่าปกติทุกๆคืนเราเข้าสมาธิภาวนาเพื่อเป็นวิหารธรรมแผ่เมตตากิตใจสรรพสัพตว์ทั้งหลายทั้งมวล อำนาจของจิตนั้นแผ่ไปไพศาลไม่มีประมาณทะลุแผ่นดินแผ่นฟ้าได้หมดไม่มีอะไรขวางกัน้นจิตอิสระบริสุทธิ์ได้ในสามแดนโลกชกาตินี้แต่คืนนั้นจิตนี้ก็ประวัติถึงประเทศชาติบ้านเมืองที่เคยเกิดอาศัยอยู่มาเป็นเวลานานกำลังวิกฤตหรือนี่สินเป็นแสนล้านเกิดความห่วงใยโลกสงสารย่นเข้ามาถึงจุดเมืองไทยติดหนี้ติดสินเมืองนอก เมืองไทยเราจะจมในนิมิตภาวนานั้นปรากฏว่าประเทศชาติบ้านเมืองมืดคลึ้มประหนึ่งว่าอุ้งหัดแห่งพระยามารที่กลางเล็บในรอบปฐพีมนทนไทยคอยแต่จะบีบรัดผู้อยู่ภายในให้ตายได้ในเร็วพลันใช้กิจดวงอ่อนนิ่มพิจารณาแผ่เมตตาไปทางใดมีแต่ความมืดดำปกคลุมพุ่มพอประหนึ่งว่าจะหมดหวังในแสงสว่างทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ ไม่เคยมีอะไรขวางกั้นทางเดินแห่งกิตที่มีเมตตาครอบโลกธาตุนี้ได้เลยพิจารณาแผ่เมตตาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแม้ครั้งที่สพยามาณตัวมืดบอดจ่องจะทำลายสรรพสัตว์บนพื้นโลกก็หายอมรับเมตตาและอัททำอ น, นันต์ไม่กำหนดกิตพิจารณาหาใครหรือผู้ใดที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระและจุดประกายให้แสงสว่างแก่ประเทศชาติที่ดำมืดคลึมนั้น ก็ไม่เห็นมีประนึงว่าหมดหวังแล้วหนอชาติบ้านเมืองคราวนี้ถึงคราวที่จะสูญสลายสิ้นชาติและพระพุทธศาสนาที่ให้ความร่มเย็นแก่โลกมาเป็นเวลานานมองไปช่องทางใดก็มีแต่ความมืดมิดปิดตาเมื่อไม่เห็นมีผู้ใดที่พอจะช่วยได้แล้วจึงกำหนดจิตย้อนเข้ามาภายในตนปรากฏว่าเห็นแสงสว่างเพียงหิงห้อยจึงกาหนดจิตเข้าไป ตามลำแสงอนน้อยนิดนั้นลำแสงนั้นรูเล็กแคบตีบตันก็จริงแต่เมื่อกำหนดตามลำแสงนั้นออกไปจนสุดทางแห่งความมืดที่อุ้งหัดแห่งพระยามารปกคลุมอยู่ปรากฏว่าแสงสว่างจ้าโล่โพรง่งสดใสเบิกบานเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจหลวงตาท่านเล่า ว, ว่าแสงเพียงหิงห้อยนั้นคือตัวแห่งองค์ท่านเองท่านให้อุบายว่า งานช่วยชาติของท่านคราวนี้จะมีอยู่สองทางคือ 1. จะเป็นทางบุญนำหมู่มหาชนเพิ่มภูนแนวทางไปสวรรค์พรหมโลกและพระนิพพาน 2. จะเป็นทางบาปไปนรกสำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยไม่ร่วมอนุโมทนาแต่คิดจ้องที่จะทำลายลบหลู่ดูหมิ่นเหยียบย่ำทำลายสกัดกัน้นแนวทางเพิ่มภูนความดีเบื้องต้นที่พิจารณาประเทศไทย และต้องเข้ามาช่วยชาติไทยอ์ท่านได้กล่าวว่าเราก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะได้แบกหามประเทศไทยทั้งชาติมันก็คงเป็นนิสัยวาสนาพื้นเพลมันก็บอกมาแต่ต้นเราพิจารณาย้อนแล้วพื้นเพต้นกับปลายมันก็ตรงกันต้นกับปลายมันตรงกันหมายความว่าอย่างไรก็คือการเสียสละสงเคราะห์โลกด้วยความเมตตานี้เป็นพื้นฐานมาโดยตลอด ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวตลอดมามีเท่าไหร่ก็ทุ่มออกทุ่มออกเป็นพื้นเพลนใิใสามาเรื่อยๆแต่มีความประหลาตกเกิดขึ้นว่าหากเราตายเวลานี้ทำยังไงชาติไทยของเราถึงกับร้องโก้กว่าท่านหลวงตาบัวยังไม่ตายเมืองไทยเรายังจมไม่ได้นี้คือกำลังใจของเรามันจะพยายามแหวกว่ายเอาให้ได้ส่วนร่างกายไม่ต้องพูดถึงเลยมันหมดสภาพแล้วที่อยู่ได้ก็เพราะกำลังใจอย่างเดียวเท่านั้น ไม่งั้นหลวงตาตายแล้วในปีพุทธศักราช2541พอดีเลย